วางทำกันตามสบายก็ขอต้อนรับกลุ่มปฏิบัติที่เพิ่งมาใหม่บางคนก็ตั้งใจมาบางคนก็ไม่ตั้งใจมาคือถูกหัวหน้าบังคับมาแต่ถ้าพวกโยมวางจิตวางใจสมัยไหนๆแล้วก็มาวัดป่าสุโกโตแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมซะเลยอันเนี้ยต่อเจ็วันที่ไปอยู่เนี่ยเราจะมีความสุขจิตเราจะเป็นกุศล แต่ถ้าเรามาแบบขอไปทีทำไปวันเดึงเดี๋ยวเรากกลับบ้านแล้วอันนั้นเราจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยการปฏิบัติธรรมก็คือการมาลดมาละไม่ได้มาเอาลดละนี่หมายถึงลดลักิเลสหรือความเห็นกก่ตัวแต่ถ้าเราตั้งใจไปผิดเราก็อยากมาฝึกเจริญสติเพื่อจะเอาสมาธิจะมาเอาฌานเอาอะไรต่างๆซึ่งเป็นไปไม่ได้ถ้าตั้งจิตที่ถูกนะ่ะคือมาลดมาละ เว่าโดยธรรมชาติแล้กิเลสมันจะเอาเข้าไงแต่ธรรมะนี่เอาออกเพราะถ้าคนไม่ฝึกสติเราก็จะเชื่อฟังคิดปรุงแต่งเชื่ออะไรเราก็ตกเป็นทาสของมันมันสั่งให้เราทําอะไรเราก็ทําตามมันทันทีเลยสั่งให้ไปทะเลาะกับใครก็ทะเลาะหรือทําร้ายก็ได้สั่งให้ไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยไกลแค่ไหนมันก็ไปมัน ท, ทันทุกเรื่องแหละถ้าเราไม่เป็นตัวของตัวเองชีวิตเราก็จะไม่มีอิสระ แต่ถ้าเกิดเราฝึกจระเสติบ่อยๆเนี่ยเราก็สามารถอยู่กับตัวเองก็ได้บางความคิดเราไม่ทําตามมันก็ได้คือทําตามก็ได้ไม่ทําตามก็ได้อันพวกโยมก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอจาสจจะสนใจสอนอะไรก็เชื่อท่านไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วอันนี้จะเกิดประโยชน์เวลามาฟังทำไหวพระสวดมนต์จิตก็เป็นกุศลถือว่าเรามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพราะบทสวดมนต์ต่างๆเนี่ยก็นํามาจากพระสูตร อย่างเมื่อกี้เราก็สวสดบทพระเทรกราะคาถาอธมานำาให้พวกโยมฟังเนี่ยก็เพื่อให้ตั้งใจทำความเพียรเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีอะไรสิ่งที่ไม่คาดคาดฝันเกิดขึ้นเยอะแยะหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุต่างๆความตายคนที่ตกอยู่ในข่าวตามหนังสือพิมพ์ตามโทรทัศน์เนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าจะเกิดกับเขานะ ความตายมาทุทกเมื่ออุบัติเหตุต่างๆเนี่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่มีหลักประกันวันนี้เราแข็งแรงพรุ่งนี้อาจจะป่วยก็ได้หรือเกิดอุบัติเหตุก็ได้สี่หลองถามคือวันนี้จะทาให้ดีที่สุดเพราะว่าอาดีตเนี่ยเราก็ไม่สามารถแก้ไขาได้อนาคตยังไม่มาถึงมีแต่ปัจจุบันนี่แหละแล้วก็สร้างความรู้สึกตัวไปสร้างความรู้สึกตัวไปมีนิ่ทานอยู่เรื่องหนึ่งเขียนโดยลีโอตอรสตอย นักเขียนชาวรัสเซียเรื่องนี้จะมาชอบมากจะนำมาเล่าใโยมฟังเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรสำคัญที่สุดมีพระราชาอยู่องค์หนึ่งมีปัญหาอยู่3ามข้อที่พระองค์แก้ไม่ตกคือท่านสงสัยว่าข้อที่หนึ่งเวลาไหนสำคัญที่สุดข้อที่สองบุคคลไหนสำคัญที่สุดข้อที่สาภา ร, รกิจอะไรสำคัญที่สุดพระองค์พยายามค้นหาคาตอบ แต่คนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไปได้จึงประกาศไปทั่วเมืองให้พวกนักปราชญ์หรือพวกผู้รู้ต่างๆเนี่ยถ้าใครตอบปัญหาของพระองค์ได้เนี่ยจะให้รางวัลมากมายเลยจนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครตอบปัญหาสามข้อนี้ได้พระราชาก็ต้องสงสัยต่อไปจนในสุดจะได้ข่าวว่ามีฤาษีอยู่ท่านหนึ่งเป็นผู้รู้อาสัยอยู่บนภูเขาแต่ฤาษีท่านนี้จะไม่ต้อนรับ คนรวยหรือคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ด้วยความอยากรู้ปัญหาสามข้อนี้พระราชาจึงลงทุนปลอมเป็นปลอมเป็นแบบคนธรรมดาแหละแต่งตัวแบบชาวบ้านพร้อมด้วยทหารองครักษ์เดินทางไปหาฤาษีแล้วก็ให้องครักษ์รออยู่ข้างล่างพระราชาขึ้นไปหาฤาษีคนเดียวบนภูเขาขั้นเข้าไปเจอฤาษีแล้วเห็นฤาษีเนี่ย กำลังขุดดินอยู่หน้ากระท่อมตัวเองพระราชาก็เข้าไปถามปัญหาว่าผมสงสัยปัญหาสามข้อคือเวลาไหนสําคัญที่สุดคนไหนสําคัญที่สุดภรารกิจอะไรสำคัญที่สุดอยากขอท่านช่วยตอบให้กับผมหายข้่องใจด้วยครับฤๅษีก็บองหน้าพระราชาที่ปลอมมาเป็นคนธรรมดาแล้วก็ตบไหล่แล้วไม่ตอบอะไรแล้วก็ขุดดินต่อไปฤๅษีที่แก่แล้วเวลาขุดดินไปก็หอบแทกๆๆ พระราชาเหตุลสงสารจึงอาสาช่วยขุดดินแทนขอจอบจากฤษีขุดไปได้ละพักหนึ่งก็ถามอีกรือศีก็ไม่ตอบไม่รู้ไม่ชี้พระราชาก็ขุดไปเรื่อยๆจนถึงผ้า ท, ทิต์เริ่มตกดินแล้วตอนนั้นพระราชาก็กลับมาถามอีกครั้งหนึ่งบอกว่าถ้าท่านตอบคําถามผ ม, ไ, มได้จริงผมก็จะลากลับแล้วฤศีก็ไม่ได้ตอบตอบปัญหา แต่บอกว่าได้ยินเสียงอะไรไหมพระราชนั้นมีเสียงคนกํนลาลังวิ่งมาพระราชาก็ได้ยินสะพังก็เห็นชายคนเนื้อวิ่งกระซักกระเซิงมาเนื้อตัวเต็มได้วยเลือดฤาษีก็พระราชารีบเข้าไปรักษาฤาษีสั่งให้พระราชาเนี่ยช่วยทําแผลให้ผู้บาดเจ็บพระราชาก็กุรีบุๆๆจจอนเอาผ้าเอาเสื้อตัวเองนั่นแหละมาซับเลือดให้ซับเลือดทําแผลทาแผลเสร็จ ผู้ปาดเจ็บหิวน้ำพระองค์ก็ไปตักน้ำที่ลำธารให้วันนั้นเน่ยพระราชาเหนื่อยมากเลยเพราะต้องเดินทางขึ้นเขาขุดดินรักษาคนป่วยกลางคืนก็นั่งหลับบนกระท่อมนั่นแหละพราะได้ผาอ่อนเพียจะลืมคำถามไปมารู้สึกตัวอีกทีก็้าที่ขึ้นของวันใหม่ชายที่รับบาดเจ็บก็บองหน้าพระราชา แล้วก็กล่าวไดรับเสียงอ่อนน้อมบอกพระองค์ยกยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าผิดไปแล้วพระราชาก็สงสยัยบอกเราไม่รู้จักท่านแล้วจะไปยกโทษให้ท่านได้ยังไงชายคนนั้นก็บอกว่าต น, นาเนี่ยที่มาน่ต้องการจะมาฆ่าพระราชานะดักรออยู่ข้างล่างต้องนานไม่เห็นพระองค์ลงมาทีทนไม่ไหวจึงต้งปรากฏตัว จึงพบกับองค์กรักข้างล่างก็เกิดต่อสู้กันจนได้รับบาดเจ็บจึงหนกีกระเซิร์กระเซิร์มาเนี่ยมาเจอพระ อ, องค์เข้าพระ อ, องค์จึอองช่วยชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าเนี่ยทราบซึงในบุญคุณมากเลยแล้วก็จะไม่คิดเป็นศัตรูกับพระ อ, องค์ต่อไปแล้วแล้วก็เล่าความหลังให้ฟังว่าพี่ชายของเขาเนี่ยได้ถูกฆ่าตายขูทางเนี่ยทางัทางหลวงเนี่ยลิฟซับ ชายคนนี้ก็เลยมีความแค้นพระราชาถือพระชาเป็นศัตรูพอทราบข่าวจึงเข้ามาดักฆ่าพระราชาดีใจมากที่สามารถเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรได้จึงเข้าไปปลอบใจแลวบอกเราจดียกโทษให้แล้วก็พาชายคนนี้เนี่ยไปรักษาให้หมอหลวงมารักษาอย่างดีเลยแล้วก็คืนสมบัติให้แล้วพระราชาก็ขึ้นไปบนเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปหาฤาษี พวงถามคําตอบเดิมที่ถามไว้ฤาษียิ้มแล้วก็บอกว่าท่านได้คําตอบแล้วไม่ใช่เหรอมาถามอีกทําไมพระราชาก็งงบอกได้คําตอบยังไงฤาษีก็ตอบว่าคําถามของท่านเนี่ยเวลาเวลาไหนสําคัญที่สุดใครคือบุคคลที่สําคัญที่สุดภารกิจอะไรที่สําคัญที่สุดข้อที่หนึ่งเรื่องสำคัญที่สุดของท่านก็คือท่านน่ยเห็นเราแก่ เกาสงสารจึงมาช่วยเราขุดดินตอนนั้นเน่ยเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดขณะการขุดดินอยู่ใครคือบุคคลที่สําคัญที่สุดก็คือเราเนี่แหละคือตัวฤาษีเองแห่ะสาคัญที่สุดตอนนั้นเพราะเพราะเป็นเวลาปัจจุบันภารกิจอะไรที่สําคัญที่สุดก็คือคือช่วยขุดดินนี่แหละคืองานขุดดินเนี่ยคือทําให้ฤาษีมีความสุขตอนนั้นสําคัญที่สุดและข้อที่สองก็คือ ขณะที่ชายบาดเจ็บมาหาพระ อ, องค์พระ อ, องค์ได้ช่วยเวลานั้นสําคัญที่สุดใครคือคนที่สําคัญที่สุดก็คือชายผู้บาดเจ็บภารกิจอะไรสําคัญที่สุดก็คือพระ อ, องค์เนี่ยรักษาชายคนนี้ให้รอดชีวิตเพราะสิ่งเรื่อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเท่านั้นอย่างพวกโยมกําลังฟังอัตมาพูทธม์เนี่ยอย่าตัวอัตมาเนี่ ย, อ ย, ต, อยตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดข้อแรกเนี่ย อาตมากําลังพูดใครคือคนที่สําคัญที่สุดก็คือพวกโยมมันแหละฟังอาตมาพูดภารกิจอะไรที่สําคัญที่สุดก็คืออาตมาจะพูดให้โยมมีความสุขอันนี้คือความสําคัญที่สุดแต่ถ้าอาตมาพูดให้โยมเซงหลับง่วงไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยอันนั้นก็อาจจะเป็นภารกิจที่สําคัญด้อยลงไปหน้าที่อยู่นักเทศก็คือพูดให้ญาติโยมได้ประโยชน์จากการเทศพูดไปแล้วก็ไปรอเหตความทรงจําประทับใจ แต่ทำได้แค่ไหนนั่นเรื่องนะแต่ตัวผู้พูดเนี่ยก็ต้องสนุกกับสิ่งที่พูดฉั้นพวกโยมก็เหมือนกันเวลาเวลาโยมทํางานอย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่เนอจะถึงวันหยุดเมื่อไหร่หนอเงินเดือนจะออกแต่ถ้าโยมทํางานไปถ้าเป็นหมอไปอะไรเนี่ยก็ช่วยคนไข้ปัจจุบันเนี่ยแข น, นเราก็เกิดความสุขแล้วเงินเดือนนั่นผลพลอยได้วันหยุดก็อีกหลายวันเพราะว่าบางคนเนี่ยคิดไม่เป็นไปหาความสุขจากข้างหน้า บางทีก็แล้วก็หาความสุขต่อไปเรื่อยๆตอนเป็นเด็กตอนเป็นเด็กเราก็หวังจะเรียนจบโตขึ้นจะได้มีงานทำดีๆพอจบแล้วเราก็อยากได้แฟนหล่อๆที่สวยพอได้แฟนมาแล้วก็มีลูกมีลูกสร้างครอบครัวก็อยากมีฐานะดีๆแล้วก็ล่าความสุขเรื่อยๆแหละแล้วเราก็แก่บางทีก็หาความสุขไม่เจอทั้งชีวิตเพราะสิ่งที่เรากาลังแสวงหาเนี่ยมันไม่ของไม่เที่ยง ตอให้เรามีทรัพย์สมบัติมากแค่ไหนเราก็ทุกเพราะว่าคนเราเนี่ยสังเกตนะเราไม่เจริญ น, นานเนี่ยหน้าตาเราจะเปลี่ยนแปลงยิ่งถ้าวัยสาสกว่าสี่กว่าขึ้นไปเนี่ยเราไม่สามารถรักษารักษ า, ารูปร่างเอาได้หรอกเดี๋ยวก็อ้วนขึ้นตีนกาก็ลึกขึ้นผมก็งอกเลี่ยวแรงก็ถดถอยอันนี้เป็นทุกคนนะเพราะว่าถ้าเราดุ่มหนวดสาวเราก็ประมาทคิดว่าเราแข็งแรงอยู่ปียี่ปีไม่นานนะแป๊บเดียวก็ถึง ทั้งทุกสิ inside, ่งทุกอย่างเนี่ยจึงพึ่งไม่ค่อยได้สิ่งที่เป็นเพื่อนแท้พึ่งได้ก็คือความรู้สึกตัวอย่างที่พวกโยมาฝึกสติเนี่ยก็เพื่อรู้จักตัวเองถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเนี่ยก็เหมือนกับคนป่วยที่เราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ตัวเองเป็นโรคอะไรหมอก็รักษาไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนป่วยว่าเป็นโรคอะไรเนี่ยเราบอกอาการให้หมอฟังหมอก็รักษาเราถูกโรค เพราะโดยธรรมชาติเนี่ยกิเลสจะหลอกตัวเองว่าเราเป็นคนดีทุกคนจะมีความโลภความโกรธความหลงขี้ฉาดินทาเปรียบเทียบยกตนข่มท่านดื้ก้าว่า่่ว่่่่่่่่่ตัวกูของกูกับ่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่า่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ม, ม่่่่่่่่่ิ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้านะ่่่่่่ สามารถลองรับน้ำํำเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มเรียนรู้ตัวเองแต่ถ้าเราเป็นคนที่ปิดกั้นเนี่ยก็เหมือนกับแก้วเต็มที่มีน้ําเต็มเนี่ยไม่สามารถรับฝวารู้ใหม่ได้เลยคือรู้อย่างไรก็ ร, รู้งานตลอดชีวิตเพราะว่าธรรมชาติของคนเราเนี่ยจะคิดทางลบแล้วก็จะหลอกตัวเองว่าเราเก่งแล้วรู้มากแล้วแต่ถ้าพวกโยมาเรียนธรรมะรู้จักตัวเองเนี่ยเราจะได้ความรู้ใหม่รู้ว่าเราเป็นคนยังไงกันแน่ เพราะโดยธรรมชาติคนที่ไม่เคยฝึกสติเนี่ยมันจะอยู่ในโลกความคีดบุงแตงทั้งวันเลยนะตั้งแต่ตื่นตื่นมาก็หลงบุงแตงแล้วก็หลับแล้วก็ไปฝันต่อทั้งวันแหละมันจะไม่มีช่องว่างให้ความตึกตัวเข้ามาเลยคือไม่รู้ว่าตัวเองเผลอไปคิดแต่ถ้าเรามามือเคลื่อนไหวเนี่ยทําให้ความคิดทํางานไม่ถนัดเหมือนเป็นเบรกอะ่ะ ก็เป็นเบรคปุ๊บมันทํางานให้ขนัดมันก็จะเริ่มแสดงอาการออกมาใหม่ๆทําไปแต่ก็ง่วงความง่วงจะหนักมากเลยแหละความง่วงครอบงาํทาทั้งที่เราก็นอนไปอิ่มแล้วความคิดมันก็จะหลอกให้เราคิดถึงเรื่องอดีตบางทีก็คิดเรื่องที่โกรธอย่าผู้ยมเราคิดเรื่องโกรธก็ได้พอคิดเรื่องโกรธปุ๊บเนี่ยมันจะปรุงแต่งไ ป, ไปอีกยาวเลยต้องไปอย่างนี้นะท ำ, ทำ อ, ยอย่างนี้ทํำไมทํากับฉันได้งนูอย่างนี้หรือคิดเรื่องที่เสียใจเนี่ยไม่ทํางานทีเลยหรือคิดเรื่องเรื่องที่มีความสุขเนี่ย เพราะว่าฝาผิวปรุงแต่งมันพร้อมที่จะปรุงอยู่แล้วมันก็ปรุงไปเรื่อยๆบางคนดื่มดำกับความปรุงแต่งเนี่ยอย่างคนที่อกหักเนี่ยก็อยากอยู่กัเพียคนเดียวพวกโย่เคยฟังเพลงเบิร์ตไหมอยู่เงี้ยคนเดีย ว, วยยยอย่เวอะเพราะว่าคือจมกับอารมณ์ที่ตัวเองชอบอะ่ะไม่อยากให้คนมากวนพวกความทุกข์บางทีก็มีอาสาทะนะความโกรธเนี่ยความโกรธความทุกข์ความเศร้าต่างๆเนี่ยถ้าเรามรรู้จักตัวเองปุ๊บเนี่ย เราก็รู้ว่าบางทีเป็นไร้สาระไม่จริงหรอกมาแป๊บเดียวก็ไปอย่างความโกรธอยู่กับเราแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปแล้วแต่ถ้าเราทําตามมันเนี่ยมันก็สร้างความหายนะมากมายเลยบางคนเนี่ยทาร้ายเข้าของทําร้ายคนอื่นทํำร้ายตัวเองเพราะอารมณ์โฉมู่เพราะความโกรธครอบงำจิตใจคือคิดปุ๊บทาปั๊บเลยแต่ถ้าโยมมาฝึกสติเนี่ยเหมือนมีเบรกนะมันโกรธมันโกรธก็จริงแต่มันมันมีตัวช่วย รู้ว่าทำนี้ไม่ถูกต้องนะทำนี้ผิดศีลผิดธรรมทำนี้จะมีผลเสียหายมากมายเป็นกรรมเป็นเวรต่อการเน่ยมันก็ตัดมันก็ย อ, อดทนแล้วก็ผ่านพลเหตุการณ์นั้นได้พวกที่อยู่ในคุกตาราง่ะต่างๆ ท, ทั่วไปเนี่ยจะไม่มีสติจะมีอารมณ์นำหน้าสติตามหลังพวกโยมมีโชคดีที่ได้มาเรียนรู้ตัวนี้ได้มาฝึกแต่ก็ไม่ใช่ฝึกแค่เจวันเลิกนะพวกโยมต้องไปฝึกต่อในที่ทางานอีก เพราะฝึก7็ดวันน้อยบางทีสภาวะธรรมไม่เกิดหรอกเพราะเวลาเป็นสั้นแต่เราไปทาเรื่อยๆต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยเราจะเราจะเข้าใจความคิดมากขึ้นเราก็ไม่ตกไปท่าของมันมีทิฏฐานอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสนุกสนุกอัมาเล่าโยงฟังแก้ง่วงมีคุณนายอยู่คนหนึ่งเป็นเมียนายตรวจคุณนายคนนี้เป็นคนใจบุญสุนทานชอบทาบุญ มีความสนิทกับพระครูอยู่วัดหนึ่งซึ่งทําบุญวัดนี้อยู่เป็นประจำขั้นถึงวันงานวันเกิดคุณน า, ายคุณ大爷คนนี้ชื่อโตนะแกก็นิมนต์พระครูเนี่ยมาฉานพัฒนาหารเพลนที่บ้านเพื่อเป็นสี่มงคลของวันเกิดด้วยความสิสิสมกันพระครูก็มาระหว่างที่สวดมนต์เสร็จแล้วพระครูก็สวดมนต์ ยาถารีวหาปูราปริปูเรนติสาพลังเอวเมวะอิโตทินังคุณนายโตเนี่ยแกโกรธพระครูทีเลยที่เรียกแกอิโตเพราะธรรมดาเนี่ยพระครูจะเรียกแกคุณคุณนายโตอยู่เป็เนประจำนะพอฉันเสร็จแล้วเรียกเรียกอิโตเนี่ยเพราะว่าแกไม่รู้หรอกเป็นคาบาลีรู้คามที่อัตตาเยอะคนไม่เคยฝึกไม่เคยเรียนธรรมะเนี่ยแต่โกรธปุ๊บแกก็ชี้หน้าด่าพระครูเลยบอกพระครู ทำกี้ได้ไงเมื่อกี้ก่อนฉันอาหารจะเรียกฉันคุณนายอยู่เลยพอฉันเสร็จแล้วอีโต้ละพระครูพยายามอธิบายบอกนี่เป็นคําสวดมนต์คุณนายโตก็ไม่ฟังเหตุผลหรอกโกรธปีต่อมาคุณนายโตก็ไม่นิมนต์พระครูนีอีกเลยแล้วเลิกใส่บาทพระวัด น, นี้ด้วยด้วยฟาร์มแคนที่เรียกอีโตคุณนายโตก็ไปนิมนต์เจ้าคุณที่อยู่ไกลแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังเจ้าคุณก็ถามว่าเอ๊ะ มีพัะครูอยู่ ใ, ใกล้ทำไมไม่นิมนต์คุณนายโตก็เล่าว่านหน่อยนะก่อนฉันอาหารก็เรียกฉันคุณนายคุณนายพอฉันเตริอีโตใช้ไม่ได้เลยพูดจาหยาบคายเจ้าคุณจึงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยรับนิมนต์ม า, มาในงานงานบูตมันเกิดนะระหว่างที่สวดมนต์ถึงตอนให้พรเนี่ยเจ้าคุณก็สวดว่า ยะถาวลีปหาปูราบาลีบูรนติสาคกังเอวะเมวะคุณนายโตถินนางเปตนันนางอุปการปรติคุณนายโตตบมือชอบใจนี่มันต้องอย่างนี้นิ่ายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบอันมาเล่าโยมฟังสนุกๆนะแบบคนที่หลงตัวเองมากๆเนี่ยมันจะมีอัตตาอยู่อย่างเดียว่าให้คนยกย่องสารเสือนถ้าเจอเรื่องขัดใจเนี่ยมันทุกันทีเลยและบางครั้งในความคิดปรุงแต่งของเราเนี่ยมันก็ไม่จริง ไม่เชื่อจะถูกเสมอไปนะอย่างอามาเนี่ยเพิ่งเดินธรรมยตากับอจาจารย์เป็นสารมีอยู่ครั้งหนึ่งประที่ห้าธรรมยตาปีนี้แดดจะร้อนแรงมากเลยบางทีจีวอลอังสาสบงของเราเนี่ยจะเหม็นขี้เกลือเหนียวเหนอะใจแราไมาอยากซักจีวอลอยากซักชุดที่ใสมากเลยนะ ก็มีความสุขว่า เ, เดี๋ยวอีกไม่กี่โลเดี๋ยวถึงวัดที่เราจะพักแล้วเราจะซักจีบรนตักจีบรนอาบน้ำให้ชื่นใจที่ไหนได้อาจารย์พิสารถามหาน้ําตกผาราดจากวิชัยระยะทางเนี่ยต้องเลี้ยวกลับแล้วเดินไปอีกอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยอีกประมาณห้ากิโลแล้วไปกลับไปเกือบสามกลับอีกเกือบสามฟาร์มฝันเขาเอามาพังพังทลายหมดเลยอาจารย์พิสารตัดใจเลี้ยวขวาไม่ไม่ไม่ ไ, มไมปวัดที่จะพัก อัดมาก็ตามไปด้วยแหละต๊อกตตามไปตามไปคิดว่าจะไปสายจะเล่นแค่ชมน้ำตกอยู่ข้างล่างที่ไหนได้อาจารย์ขึ้นไปยอดน้ำตกเลยน้ำยอดน้ำตกประมาณเกือบโลใบกับว่าเกือบสองโลละอัดมาก็เอ้าไหนๆก็ไหน ๆ, ๆล้วเดินตามต๊อตอไปแต่ในทุกมีความสุขแฝงอยู่ไปมาเราก็ได้เล่นดัาตกสมใจแล้วก็ได้สักกีบอแล้วก็ได้ ดาบด้าทักสะบงแล้วแหละหันฝับคิดอะไรมาเขาเปลี่ยนสภาพหัวเหวินก็ตกเพราะว่าถ้าเกิดกลับวัด ว, วัดวันนั้นนะก็ซักกีบอลไม่ได้อยู่ดีแหละเพราะวัดนั้ไม่มีน้ําแล้วคนต้องสามร้อยกว่าคนก็ต้องแยกกันเ้องน้ําน้ําก็ไปไหลอวราจึงรู้ว่าบางทีบางทีความคิดของเราเนี่ยก็พลาดความคิดขอจาร์บางทีก็ถูกเราไปหวังน้ําบ่อน้าเราก็ได้ดื่มน้ําได้ทักกีบร ก็สามารถทํางานกอื่นได้อย่างราบลื่นแล้วก็ได้ชมน้ำตกที่สวยงามด้วยเราได้ถ่ายรูปเยอะแยะเก็บไว้ที่เอลึกเพราะที่นั้นเราก็ไม่เคยไปมาก่อนอย่างเมื่อปีที่แล้วก็เหมือนกันอันลมาก็ไปพอไปป่าโป้งเนี่ยจุดที่พักมันก็ไกลจากที่ที่ที่ชมธรรมชาติเนี่ยประมาณหลายกิโลนะไปกลับออันละาก็ยอมเหนื่อยเดินไปนะเราเดินธรรมาตาตเหนื่อยอยู่แล้วเรายังเดินไปชมธรรมชาติอีก ไปกลับรู้สึกจะประมาณ4 4ี่โลได้สี่หโลดีแหละแต่ก็คุ้มนะเพราะของฟรีไม่มียโลกมางครั้ ง, งความเหนื่อยมันก็ได้รางวัลตอบแทนนั่นแหละเราก็ได้ไปสัมผัสธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ฟารามกว้างใหญ่ไพศาลของท้องฟ้าผ้าทิ่ตกดินป่าปงที่หาชมยากแต่เราต้องจ่ายค่าตอบแทนน่ก็ต้องลำบากอ่ะเหมือนโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมก็ต้องปวดเมื่ อ, อยากการยกมือ ทนจากอาจารย์สมใจบังคับแต่ผลนี้คุ้มค่ามากเพราะจาักสมใจเนี่ยท่านทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทําเพื่อประโยชน์ของของโยมไม่ได้ทําเพื่อตัวท่านนะเพราะท่านสบายอยู่แล้วท่านก็มาสอนฝึกให้พวกโยมเลยละรู้จักตัวเองก็ต้องเสียห ล, าละาอะไรแหละเพราะอาจารย์มางคลดีเยียดสอนเขาก็ไม่มาลำบากมาเคี้ยวเขีนโยมหรอกเพราะว่าการสอบฝึกโยมเนี่ยบางทีก็ไปฝึกกิเลสดีไม่ดีเขาก็เกลียดก็เถียงก็มีเพราะว่าแต่ละคนก็มีกิเลสตายเยอะนั่นแหละ ไม่ใช่ฝึกง่ายๆนะอาตมาเนี่ยฝึกตัวเองยากเลยแเรยังเข้าใจเรื่องการฝึกคนอื่นบางทีถ้าใครมาถามธรรมะแล้วก็ตอบไม่ถามเราก็ไม่ได้ไปบอกไปสอนได้หรอกคือลูก้าเทสะอะไรควรไม่ควรฉะนั้นคนที่มาสอนเราจึงยากอย่างพระเก่าบอกพระใหม่ก็ยากเพราะอะไรไมบางทีบอกไปแหละบางทีไปโดนกีเลศเขาเกลียดเราก็มีเพราะว่าผู้ชี้ขุมทรัพย์ก็คือผู้ที่กล้าว่าเขาบอกเราแหละจะบางคนจะไม่ชอบนะบางคนว่าอย่าไปยุ่งกับกูนะ ตัวครตัวมันอย่างนี้ก็คนไม่สามารถหาความรู้ได้เลยเพราะว่าไม่มีใครบอกก็อยู่เป็นวันนึงเดี๋ยวเช้าผ้าทิศก็ขึ้นตอนเย็นผ้าทิศก็ตกแล้วผ่านไปหนึ่งวันกลายไปแล้ ว, วผ่านไปเรื่อยๆจะไม่าหาหาความรู้ได้เลยเพราะว่าไมีมใครกล้าบอกทําอะไรผิดก็ผิดอยู่นั่นแหละแต่ละคนที่เปิดใจกว้างก็จะมีกระยาหมีมาชี้แนะกล้าบอกทําอะไรผิดกล้าตักเตือนอันนี้จะทําให้เราจิตใจก้าวหน้าสามารถพัฒนาตนเองได้ พวกโยกเหมือนกันถ้าโยเปิดกว้างเปิดใจกว้างสามารถฝึกตัวเองได้แต่ถ้าปิดกั้นก็ฝึกไม่ได้หรอกปิดกั้นก็มันจะมีอัาตารู้เปล่ากูเป็นใครอย่ามาว่ากูนะอะไรเงี้ยทั่วไปลูกเจ้าพอ่อเขาพูดอย่างนี้กันแล้วก็เสียคนบุญกุศลก็ไม่เข้าบุญกุศลเกิดที่ใจนะอย่างพวกโยมาตั้งใจมาวัดเนี่ยเราสามารถได้บุญมากมายเลยบุญเกิดจากการให้ทานถือศีลภาวนา โยมกำลังทําบุญครบทุกข้อนะถ้าวางใจเป็นถ้าวางใจไม่เป็นก็ไม่ได้เลยแม้แต่ข้อเดียวเพราะบุญก็จากจิตใจอย่างเราเห็นใครทำความดีแล้วก็สาธุดีเราก็ได้บุญละเห็นใครเห็นใครทําบุญตักบาตรช่วยทํางานวัดล้างจานถูล้างห้องน้ําถูพื้นสาราต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นบุญหมดเลยถ้าโยมทำด้วยจิตอาสานะอย่าทำด้วยความเซ็งเนี่ยได้กุศลหมดแต่ถ้าเรา ทำตามวิเลยมันก็จะหลบหลีกให้เพื่อนทําเราก็ไม่ได้บุญเพราะว่าบุญนี้เกิดจากกิจอาสาต้องทำด้วยทําด้วยความเต็มใจปฏิบัติทําเหมือนกันถ้าโยมเต็มใจทำโยก็ได้บุญกุศลทาให้เต็มใจทาก็เดี๋ยวกาลเวลาก็ผ่านไปไม่เกิดประโยชน์อะไรอันมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรเก็บเวลาท่องกอ่อนโยมฟงยังก่อนหนึ่งก่อนเมื่อกี้เนี่ยที่ก่อนพระเทกรักรตตะคถาเนี่ยของหลวงพ่อพุทธทาต สิ่งล่วงแล้วไปอย่าฝ่าหาที่ยังไม่มาก็อย่าพึงขนึงหวังอันวันวนานผ่านพ้นไม่วนวังวันข้างหน้าหรือก็ยังไม่มาเลยผู้ใดเฟ้นเห็นชัดปัจจุบันในเรื่องนั้นๆแจ่มกระจ่างอย่างเปิดเผยไม่แ ง, ง่งงอนค่อนข้างดังเช่นเคยรู้แล้วเหลือยิ่งเ้าเล่งก้าวไปวันนี้เองเล่งกระทำซึ่งหน้าที่อันความตายแม้พรุ่งนี้ใครรู้ได้ พะไม่อาจ บ, บอกปัดหรือผัดไว้ต่อความตายหรือมหาเสนามันผู้มีเพียรเวียนเป็นอยู่เช่นนี้ทั้งที่พาลาตีแข็งขยันนั่นแหละพัทเทกรัฐอันสัตตบุรุผู้รู้ท่านกล่าวเอ่ยขอจบแค่นี้ขอญาตโยมจงมีความสุขกับเจริญทรย